พระธรรมเทศนาแผ่นที่73ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่านักปฏิบัติต้องหัดต่อสู้วันนี้อากาศหนาว หลอดลงสิบสบเอ็ดหลวงพ่อขึ้นมาเจออากาศหนาววันนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดพระในวัดของเราสามสิบสองรูปวันนี้ตรงมาชันยี่สิบหกงดชันหก หลวงพ่อเพิ่งกลับขึ้นมาจากกรุงเทพเมื่อวานนีลงไปกรุงเทพวันที่18แต่ก็ไม่ได้ฉันที่สวนแสงธรรมแต่มีการสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นพอลงไปถึงแล้วก็พี่น้องประชาชนจัทวาญาติโยมเข้ามาไหว้พระสวดมนต์ ที่สวนแสงธรรมก็มากพอสมควรแล้วก็หลวงพ่อตอนเช้าไปฉันอยู่ที่ฝ่ายช่างฝ่ายช่างทหารอากาศไอ้ฝ่ายช่างการบินไทยฝ่ายซ่อมเครื่องการบินไทยน้ววันที่สองไปฉันอยู่ที่บ้านอะไรดูแหลกไอการไอ การการบินไปทรหมุนบ้านของท่านที่สามก็ไปฉันอยู่ที่จิตโภชนาโปกปิดจิตโภชนาปากเมื่กวาน <c oughs> รู้สึกพี่น้องประชาชนเยอะอยู่เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์พอฉัน <c oughs> <c oughs> ฉันเสร็จแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาก็มาลงสนามบินมา <c oughs> ทางกรุงเทพ มูลนิธิคุณดนัยจันทร์เจ้าชายมาพบกันอยู่ที่อุดรเกี่ยวกับเจดีหลวงปู่เพงห <c oughs> ลวงปู่เพงถ้ำกองเพงคงจะทำลักษณะพิพิธภัณฑ์ก็เลยปรึกษากันเ <c oughs> มื่อวานนี้กอกลับเข้ามาถึงวัดกอกคำเมื่อวานนี้ <c oughs> ตั้งที่ลงเครื่องบินบ่ายโมง ก, กว่า นี่แหละภาระธุรกิจหรือภาระของพระ <c oughs> มาก็มาเจอหนาวอีกนลยแต่เมื่อวานลูกหลานถามลูกหลานบอกว่าเมื่อวานไม่หนาวเหมือนวันนี้วันนี้ <c oughs> หนาวหนาวกว่าทุกวัน <c oughs> ถึงอย่างไงที่หลวงพ่อลงไป กรุงเทพกับไปพบเจอกับคณะสัตธาญาติโยมหลายหมู่หลายกลุ่มหลายคณะตลอดถึงพระสงฆ์เมื่อวานเป็นวันอุโบสถ้วยเมื่อวานเป็นวันพระกระ็ได้ลงอุโบสถตอนเช้าเมื่อวานกับคณะสงฆ์อยู่ที่สวนแสงธรรมทั้งหมด20กว่าองค์ พระยี่สิบองค์พอไปโดยมากามีตะกิจนิมนตะกิตนิมนตแต่ละแต่ละองค์ที่ลงไปกรุงเทพแต่ถึงยังไงก็ตามนั้นลูกหลานคณะศรัทธาญาติโย ม, มลูกหลานพระเนธโดยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระของเราเนะ่ะลูกหลานนะตั้งใจภาวนา อย่าไปถือว่าอย่างอื่นสำคัญเรื่องภาวนา เ, นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นชีวิตประจำวันของพวกเราในช่วงที่มันหนาวๆเนี่ยกน เ, นเออกลางวันเออกลางวันมันอากาศพอดีพอดีอยู่ในวัดของเราหาที่ลงโล่ก็เดินยงกลมไม่มียุงอีกต่างหากหน้าหนาวมันสบายไปอย่าง แต่ก็หาผ้าหม่มเท่านั้นแหะผ้าห่มของเราก็มีพร้อมผ้าห่มของเราก็มีพร้อมออเครื่องอำนวยความสะดวกอ่างสะกันหนาวก็มีไม่ต้องห่วงหรอกอ่างผ้า อ, อ่งสรกันหนาวก็แบง่งแ บ, งแบงกันกูบาเก่าทั้งหลายก็ให้ช่วยชวยกันดูดูกูบาเข้ามาใหม่แต่ยังไม่รู้จัก บอกกล่าวสอนกันเรื่องอำนวยความสะดวกของเรามีอยู่แล้วก็นี่แหละไปนั่งภาวนาที่ไหนนั่งได้นานนะหน้าห น, นาวเนะี่ยเพราะว่ายังไม่หนาวมากขนาดนี้ขนาดพอดีพอดีผมผ้าก็ยังอุ่นอยู่โดยเฉพาะอย่างเยี่ยงพระหนมุมพระน้อยพระหนุ่มผมผ้ายังอุ่นแล้วก็ ตามไม่จริงอยาให้มันอุ่นมากจนเกินไปอุ่นมากเกินไปก็ไม่ไดีหรอกหลับเฮ้มันหนาวๆนาวบ้างนะดีอย่างที่อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเวลาลงไปตอนเช้าก่อนที่จะไปบินท่าบาทต้องถูสาราซะก่อนนะใช้กระลามะพร้าวสองมือ ตัดมะพร้าวมะพร้าวมากแล้วก็ตัดครึ่งนะพอตัดครึ่งแล้วก็ให้มันนั่นเป็นฝอยฝอยตื่นตอนลงไปตอนเช้านะผ้าผ้าจีวอผ้าหมนะ่มเนี่ยทิ้งออกหมดเ อ, เอากะลามะพร้าวถูเพิ้นเลยเนีดูๆแล้วมันมันกำลังใจนะ่ะสำคัญ ถ้าคุยุอัยะมันดูดูแล้วมันยังไงมันมีแต่มันติดตกต่ำไปเรื่อยจิตใจมันต้องเฟตสู้บ้างอย่าให้มันขี่เกียรขี่ข้านอ่อนแอปวกเปียกเข้ามามันหนาวแล้วหนาวโยนผ้าเท้งเป็นผ้าน้อยผนมเราทำได้แต่เมื่อพระสูงอายุขึ้นมาจะทาไม่ได้แล้วเดี๋ยวปอดบวมอกีกไม่สบาย เป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกแต่ไมเป็นน้อยเป็นหนูว่าหลวงพ่อมาได้นั้นแล้วยโยนเท่งเลยผ่าขนาดหนาวขนาดได้ขนาดหนึง่ง เ, เป็นเสียตะหนาวจริงๆเออเอาก็ค่อยว่ากันแต่ถึงยังไงก็ต้องสูนะ้เกิดมาในโลกเนะยอ่อนจะไปอ่อนแอปวกเปียกไม่ได้ เกิดมาชีวิตต้องสู้ชีวิตนี้ทรงต้องสู้ไปเห็นเห็นคนแล้วมัน อ, อ่อนแอปวกเปียกดูๆแล้วมันยังไงยังไงหลวงพ่อว่านะถ้าหางว่ามีสู้ใช่ย่างมันมีทางรอดทางนั้นการทำมาหาเลี้ยงชีพก็เหมือนกันการเป็นอยู่ก็เหมือนกัน การสู้ในชีวิตประจําวันของตนก็เหมือนกันมันไม่ต้องมีช่องมีทางที่เราจะต้องเดินที่เราจะต้องทำตลอดตลอดถึงเรื่องการภาวนาทางด้านจิตใจก็เหมือนกันอันไหนที่มันจิตใจมันไหลไปทางที่มันไม่ถูกมองออมองดูมันควรจะห้ามมันควรจะเบรกอันไหน ควรไม่ควรอันไหนควรคิดอันไหนควรทําอันไหนควรไข่คว ร, ร, รอันไห น, ค ว, ค, ว น, นควรศึกษาตลอดถึงการท่องสวดมนต์สาธยายก็เหมือนกันต้องบังคับต้องมอว่าเกิดประโยชน์เมื่อประเกิดประโยชน์แล้วตั้งเข็มทิศเดินไปเลยเราต้องเดินจะสายนี้ ให้มีความมุ่งมั่นให้มีความตั้งใจฝ่ายในคุณงามความดีไว้ตั้งเข็มทิศไปอยู่เสมอหนะลวงพ่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไปรอดทั้งนั่นแหละแต่ถ้าว่า อ, อ่ อ, อนออกปวกเปียกองอ ก, แ, กงงแงกงอแงหาความชัดความจริงไม่ได้ชีวิตทั้งชีวิตจะล้มเหลวชีวิตทั้งชีวิตของเราจะล้มเหลว แต่ถ้ว่าพวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นไว้ในใจแล้วนะจับเดินสายนี้ละพระเนี่ยข้าพปเจ้ามองดูแล้วคิดดูให้ดีไม่ใช่ว่าคิดวันหนึ่งนะคิดดูให้ดีทบทวนดูให้ดีเมื่อคิดครบทบดวนดีแล้วนั่นนะอของผ้าเสเวียงบาเข้าไปกราบพระประธานนะ ชีวิตทั้งชีวิตของข้าพเจ้าขอมอบ ก, กายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เดินหน้าแต่เราคิดดีแล้วนะถ้าไม่คิดไม่ดีอย่าถ้าคิดดีแล้วนะเดินหน้าคาว่าถอย ห, หลังไม่มีในชาตินี้นี่แหละหลวงพ่อที่ผ่านพ้นมาได้หลวงพ่อต้องเด็ดเดี่ยวพอสมควรนะลูกหลาน ไม่ใช่อ่อนแอปวกเปียกพอมองชีวิตย้อนหลังของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อภาคภูมิใจเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์ออกจากหลวงปู่ล่าลกัมหาหลวงอาหลวงอาหลวงปูอ่อาจามหลวงปู่แหวน ค, ค, ค่ายว่าไปพักคนสมัยก่อนกันเรื่องเองลือกันว่าหลวงตามหาบัวนี่โดดมากพระ เข้าไปแล้วถ้าไม่ตั้งใจจริงอยู่ไม่ได้กับหลวงตานะแต่หลวงพ่อเนี่ยเข้าไปเข้าไปเพื่อเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ท่านดุยังไงท่านดุพระท่านท่านดุยังไงแต่พอเข้าไปแล้วท่านดุดุด้วยเหตุผล แต่พระอ่อนแอปวกเปียกงองแงโคโลโกโซเนื้โดนแน่ๆ แ, แต่ถ้าเพื่อเราเข้าไปศึกษาแล้วเข้าไปดูแล้วโอ้ท่านมีเหตุมีผลก่อนที่ท่านจะดุท่านไม่ใช่ดุสุมสี่สุมห้าท่านเป็นผู้มีหลักธรรมในจิตใจนี่แหละเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้อยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลาสิบกว่าปี ไม่ได้จำภรษาที่ไหนแต่ต่อมาเห็นว่าพระเข้าไปเยอะหลายรุ่นแต่เราไปขวางอยู่ที่นั่นก็ยังไงแล้วกันเนี่ยเราขยับก่อนที่ถ้าขยับหนึ่งท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ทำอินออกอไปนะ เ, เพราะหมูเข้ามามากแล้วเนี่ยท่านไม่ได้พูดเราขยับเองเอถ้าเราจะอยู่ก็อยู่ได้เพราะท่านไม่ได้ว่าอะไร เพราะเราอยู่ด้วยความตั้งใจอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้ออยู่ด้วยความรักเคารพในสำนักแต่เราคิดว่าเมื่อออกมาอยู่เราก็ยังไปมาหาสู่ไปเข้าไปกราบคารวะท่านได้อยู่นะเนี่เราก็ออกมาอยู่ที่นี่จากนั้นท่านก็เข้าไปหาท่านท่านก็มาดู ที่วัดของเราอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละอันนี้ก็คือเพื่อการศึกษาการสะแสวงหาครูบาอาจารย์ก็จำเป็นส่วนหนึ่งครูบาอาจารย์เป็นผู้นำแต่เราคิดว่าเอออุปนิสัยของเราเข้ากันได้กับครูบาอาจารย์นะนะเขาก็เข้าไปกราบไปเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษา วันนั้นในชีวิตของหลวงพ่อหลวงพ่อนึกย้อนหลังดูแล้วเออรู้สึกว่าเดินเดินชีวิตเออไม่สเปะสะปะนะเดินชีวิตด้วยความเรียบร้อยราบรื่นถึงจะมาอยู่ที่นี่ก็เถอะอศรัทธาญาติโยม <c oughs> ที่อยู่กับหลวงพ่อม า, อาหรือว่าพระเนนที่อยู่กับหลวงพ่อม า, อาหลวงพ่อพาเดินยังไงพาปฏิบัติตนยังไง แนะนำสั่งสอนอย่างไรก็พงจะ อ, อ่องอ่านออกดูได้เพราะพวกเราอยู่ด้วยกันนานนี่แหละสรุปแล้วก็คือชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายนะอยากจะให้คิดทบทวนพิจรารณาเดินไปในทางที่ถูกต้องคิด ถูกต้องทำถูกต้องพูดถูกต้องสิ่งไหนที่มันไม่เป็นธรรมเราพยายามหักห้ามหักห้ามตัวเองเราต้องมองดูโลกทั้งโลกทั้งธรรมด้วยทั้งโลกเขาห้ามเราก็ต้องยึดไว้ก่อนเพราะว่าโลกมันเขาไม่ยอมรับในจุดนี้ อย่างที่เขาบอกว่าไม่ควรสูบบุหรี่พระต้องะไปสูบทำไมมันได้อะไรในเมื่อสูบเสร็จแล้วเขาไปหาหมอเวลาป่วยขึ้นมาเป็นไอเป็นนั่นขึ้นมาท่านสูบบุหรี่ใช่ไหมตอบเขาไม่ชัดไม่เกนหยุดชนะทำไมึมตัวเองอยังห้ามตัวเองไม่ได้เพียงแค่นั้น มันยากจุงยากขนาดนั้นเชี่ยวเหลอกิเลสภายในใจของเรายิ่งมากกว่านั้นเราจะห้ามเพียงแค่นั้นไม่ได้ลตลวงพ่อก็ซูบแต่ก่อนบุหรี่นอกอีกต่างหากพอไปอยู่ที่บ้านตาดสมัยฝรั่งเข้ามาพอมาที่นี่ก็มีญาติโยมรู้จัมกมกคุณก็ส่งบุหรี่มาเป็นกระหลดกระหลดมาส่งมาให้แจกผ้าแจกเนน จากนั้นหลวงพ่อไอ้หยุดนะวะมันไม่ดีหรอกเขาว่าเขาก็ห้ามมาทางมหาเถรนก็ห้ามทั้งหมอเขาก็ห้ามในเมื่อเขาห้ามแล้วก็เราจะไปฝืนเขาทําไมมันได้ประโยชน์อะไรเขาไม่เห็นมีประโยชน์อะไรถ้าว่าไม่ไม่กินข้าวมันตายถ้าไม่สูบบุหรี่แล้วมันตายไหมไม่เห็นมันตายแล้วสูบบุหรี่มันมันมันเสียอะไรเขากล่ามันเสีย สุขภาพมันเสียปอดนั่นแหละมันเสียถุงลมโป่งพองนะเขาก็บอกว่าเป็นโทษแต่เมื่อรู้แล้วมันเป็นโทษลรวก็หยุดซะก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทบทวนสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์แลวอย่าทำทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทำมันไม่เป็นประโยชน์แล้วไปทำเข้าไปกันนั่น เพอร์เผยโรคเขาตำหนิอีกต่างหากสูบบุหรี่กับสูบห ล, ลบหลบซ่อนๆ อ, นอีกต่างหากกลัว <c oughs> เขาจะเห็นอีกต่างหากบางคนแต่บางคนกับสูบปเปิดเผยเปิดเผยเขาก็ถือเขาก็มองอีกมุมหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะนั้นในสิ่งที่มันไม่สะดวกใจอย่างนั้นเนีย่ย ง, งดดีที่สดุดนหลวงพ่อวานะ แต่ให้ห้ามทีเดียวกับหลวงพ่อก็ไม่ว่าห้ามทีเดียวหลวงพ่อก็ไม่พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะว่า เ, เรื่องบุหรี่เรื่องหมากนั้มันเป็นมาตั้งแต่โบราณการคนโบราณเขา ก, i, ก, ขาก็กินเขาก็สูบกันแต่สมัยนั้นเขาก็มาได้วิเคราะห์กันแต่ทุกวันนี้น่ะเขามาพูดออกมากแล้วเมื่อเขาพูดออกมาแล้วเราเป็นผู้นา เราเป็นพระในพุทธศาสนาถ้างดได้ก็ดีมันไม่เห็นเป็นจะเห็นมีอะไรถ้าไม่งดละ่ะถ้าไม่งดได้มันก็ไม่ดีทำไมไม่ดีเพราะสายตาทางโลกเขามองอีกมุมหนึ่งแต่ตามไม่จริงโลกวัชชะมันก็มีธรรมวัชชะก็มี ธรรมวัชชาคือทำรรติเตียนโลกวัชชาในโลกติเตียนแต่ในเรื่องนี้มันเป็นลักษณะโลกติเตียนมากกว่าธรรมธรรมวัชชาก็คงไม่มีแต่ทำโลกโลกติเตียนคือโลกติเตียนพระพุทธเจ้าก็แคร์มันกันไนงะสมัยครั้งพุทธกาลโลกเขาไม่เห็นด้วยสมัยก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ยบบัญญัติเรื่องภิกษุ ได้หญ้าตัดต้นไม้ภาคของเขียวนะ่พระพุทธเจ้ายางไม่ได้บัญญัติวินัยต่อมาพระสงฆ์ก็ทำได้หญ้าตัดต้นไม้แต่สมัยนะ้ประเทศอินเดียทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะเขาก็บอกว่าต้นไม้มีวิญญาณต้นไม้มีวิญญาณพระไปทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้าพระไปทำกันเะน่ะเหมือนกับ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่นี้ญาติโยมเขาก็ต่อต้านมากคนทั้งหลายสมัยนั้นเขาก็พูดกันมากพระงองค์ก็เรียกประชุมสงฆ์พอประกาศพระาศาสนาไม่ไปเพราะคนมีคนต่อต้านคนไม่เคารพนับถือเลื่อมใสว่าพระในฆ่าสัตว์ตัดต้นไม้พระองค์ก็บัญญัติวิตรายประชุมสงฆ์เสร็จแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภิกษุใดก็ตามภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตนะีอันนี้คือมีอาบัตขึ้นมามนคือเป็นสิง2้ีของพระเลยนั่นแะนะแต่ตามไม่จริงต้นไม้เนี่เป็นวัชพืชไม่มีวิญญาณนะในหลักมิตทธทาตุสีก่อนในต้นไม้ทนี่ธาตุสี่ตนเอง เป็นวัฉพืชไม่มีวิญญาณครองไม่เหมือนสัสตว์สัตว์สัตว์ในตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่อันนั้นคือภาคของพิกูตแก้งสร้างแกงฆ่าสัตว์มนุษย์แก้งฆ่าสัตว์ธิรัจฉานภิกษุฆ่าสัตว์ธิรัจฉานแก้งฆ่าสัตว์ดิรัฉานต้องไปจิตติอันนั้นมันคล้ายว่าเราฆ่าสัตว์แต่ถาาว่าเราไม่มีเจตนานเราไปเหยียบแล้วมันตายไปลูบมือมันตายอย่างนี้ลูบยุงมันตาย อันนี้ไม่เป็ น, ปนอาบัติเพราะว่าเราไม่มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาฆ่าเป็นอาบัติตัวเล็กตัวน้อยแต่ตามจริงพระพุทธเจ้าถึงจะฆ่าวัวฆ่าควายกับปลาจิตติเหมือนกันกับแปลกเหมือนกันนะเว้นเสียจะ่ฆ่าสัตว์ที่เขาห่วงห้ามห่วงแ ห, งหนอันนั้นคือโทษมันต้องมีอีกแนวหนึ่งแต่ว่าธรรมดาเนี่ยถ้าไม่มีเป็นสัตว์ป่าเนี่ยถึงฆ่านี่ยเพียงเป็นปลาจิตติเหมือนกัน ตั้งแต่ข่าเล็กตาข้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยตั้งแต่ยงุงตั้งแต่มดจนถึงช้างกระปาจิตีพิกษุพระพุทธเจ้าบัญญัติคือให้เห็นให้เห็นโทษว่าชีวิตของชีวิตเป็นเรื่องใหญ่เรื่องจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเรื่องใหญ่สัตว์แต่ละตัวหนึ่งรักชีวิตของเขาเหมือนกันเหมือนกับเราแต่ว่าข่ามนุษย์ไม่ไหนปาและชิก ขาดจะการเป็นพระแต่ว่าฆ่าสัตว์พวกสัตว์ธิรชาชฉนเป็นปาจิตติเสมอกันนี่พระวินัยของพุธไ้ยาท่านท่านเพ่งไปถึงด้าน จ, จิตใจซึ่งจะตัวเล็กตัวใหญ่กัมันก็รักชีวิตอมันเหมือนกันภิกษุข้างแก้งฆ่าสัตว์แก้งฆ่าสัตว์ต้องปาจิตตินี่แหละพระวินัยของพู้ได้ยาโล ก, กวัชชะธรรมวัชชะก็มีนะพระลูกพรน ศรัทธาญาติโยมตอนนี้ไปรับผ่อนวันนี้หลวงพ่อให้ในความคิดสำหรับพ้าลูกพระหลาน